สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทยาพิบาล น, นะครับวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่สโปรดฟังพระชนะของพระเจ้าสุภาษิตบทที่18บแข้อที่1ถึงข้อที่3คนที่ปลีกตัวไปจากผู้อื่นจงใจกระทําตามใจตนเองและค้านสติปัญญาทั้งหลาย คนโง่ไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจแต่เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นเมื่อความชั่วลายมาถึงความหมิ่นประมาทก็มาด้วยและความอดสูมากับความไรเกียริพี่น้องครับเรากลับมาเรียนรู้จากพระธรรมสุภาษิตในเช้าวันนี้นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปผมก็จะได้พูดถึง และแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องราวในพระธรรมสุภาษิตต่อไปนะครับหลังจากที่พ้นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ได้พูดถึงคนโง่3แบบ3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือคนโง่ที่ปิดตัวครับคนโง่ที่ปิดตัวและปลีกตัวเขาปลีกตัวออกจากคนอื่น เพราะเหตุที่ว่าเขาเป็นคนโง่เนื่องจากว่าเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นความรู้สึกมั่นใจตัวเองอีโก้ของตัวเองและนึกว่าตัวเองนั้นถูกเสมอจึงทําให้เกิดความเบื่อหน่ายและเลี่ยงจากการมีความสัมพันธ์กับคนอื่นทําให้มิตรภาพที่เขามีกับคนอื่นนั้นก็ลดน้อยถดถอยลงไปสืบเนื่องเพราะอะไรครับเพราะ เนื่องจากความเห็นแก่ตัวนั้นทําให้เขาต้องการทําอะไรตามใจตัวเองไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นยับยั้งเขาจึงทําให้เขานั้นต้องปลีกตัวไปอยู่คนเดียวเขาต้องอยู่กับโลกส่วนตัวของเขาอยู่กับความเห็นแก่ตัวของเขาอยู่กับการที่เขานั้นอยากจะทําอะไรตามใจของตัวเองเน้นคนเช่นนี้นะครับมักจะปลีกตัวออกไปเพราะเขา ปิดตัวเองออกจากคนอื่นเขาอยู่กับคนอื่นได้ไม่นานครับทำงานก็ไม่นานหรือมีความสัมพันธ์ก็ไม่ลึกซึ้งเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเอาตัวเองเป็นที่ตั้งทําให้เขาต้องปิดตัวเองลงความเห็นแก่ตัวของเขาการอยากทำอะไรตามใจตัวเองก็ทำให้เขาต้องอยู่คนเดียวเขาไม่ยอมรับคนอื่น คนโง่ประเภทที่สองครับ <c oughs> เป็นคนโง่ที่พูดมากใจปิดแต่เปิดปากพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้พูดถึงคนโง่ที่ปลีกตัวออกไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าคนเราทุกคนนั้นต้องการความคิดเห็นจากคนอื่นในการตัดสินใจพระคัพี่บอกว่ามีที่ปรึกษาเยอะๆก็ดีครับ เช่นเดียวกันในทํานองเดียวกันครับเป็นการไม่ฉลาดเลยที่จะทำตามใจตัวเองทุกอย่างและคัดค้านสติปัญญาของคนอื่นคำแน่นันของคนอื่นพี่น้องครับความไม่เป็นมิตรกับการไร้เหตุผลก็แยกกันไม่ออกใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าเราควรเป็นมิตรและใช้เหตุผลกับคนอื่นไม่ควรแยกตัวออกไปเพราะรับคนอื่นไม่ได้และจะทำตาม ใจตัวเองท่าเดียวนะครับแต่ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องของคนโง่ที่พูดมากใจปิดแต่ปากเปิดนี่คือประเภทที่2อครับคนโง่ที่พูดมากใจปิดแต่ปากเปิดนั่นหมายความว่าเขาพูดสิ่งที่ไร้สาระแต่เขาไม่เพลิดเพลินในความเข้าใจเขาไม่รู้เรื่องจริงๆเขาไม่เข้าใจจริงๆไม่มีความลึกซึ้งในเรื่องที่เขาพูดจริงๆเหตุเพราะอะไรครับ เหตุเพราะว่าเขาไม่ค่อยฟังเขาโง่เขาไม่เรียนรู้จากคนอื่นและในการแสดงความคิดเห็นของตัวเองเขาก็เปิดเผยความโง่ของตัวเองออกมาเขาอาจจะมีความเพิดเพลิในการพูดแต่เขาไม่รู้ว่าตัวเองนั้นโง่ขนาดไหนคนโง่นั้นเป็นผู้พูดที่ไม่มีสาระและเขาไม่เคยฟังคนอื่นเขาคิดว่าคนอื่นนั้นไม่มีสาระแต่จริงๆตัวเองนั้น ไม่มีสาระเองปัญหาสองอย่างของคนโง่ประเภทนี้ก็คือว่าใจปิดแต่เปิดปากครับใจปิดแต่เปิดปากเขาไม่ต้องการความรู้เขาเพียงแต่ต้องการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั้นเองปากของเขานั้นพูดความโง่เขาออกมาพินทับในเพิ่มพีได้พูดว่าคนโง่เขานั้นหากนิ่งเสียก็จะกลายเป็นคนฉลาดได้ นั่นแสดงว่าคนโง่ประเภทนี้นะครับแก้ไขไม่ยากครับก็คือไม่ต้องพูดมากคนอื่นก็จะนึกว่าเราฉลาดและนั่นก็เป็นการแสดงความฉลาดขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันคนโง่ประเภทที่3ครับก็คือคนโง่ที่ชั่วร้ายคนโง่แบบนี้นี่เป็นคนโง่ที่ชั่วร้ายนั้นน่ากลัวครับคนโง่ที่ปลีกตัวปิดตัวโอเคก็ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ คนโง่ที่พูดมากใจปิดแต่ปาดเปิดก็อาจจะน่ากลัวขึ้นมาแต่คนโง่ที่ชั่วร้ายนั้นน่ากลัวที่สุดครับ <c oughs> เพราะความชั่วร้ายที่เขาทำมันส่งผลกับคนชอบทำคนที่ต้องการสติปัญญาเขาก็จะนำความอับอายและความบาปนะครับมาด้วยพี่น้องครับคนโง่ที่ชั่วร้ายเขาจะทำความบาป และในที่สุดนั้นเขาก็จะพบกับความอับอายเขาจะพบกับความอัประยดอดสูงนะเราจะเห็นว่าความบาปและความอับอายนั้นไปด้วยกันครับคนโง่ที่ชั่วร้ายนั้นก็นำความหมิ่นประมาทความอัประยดอดสูมาถึงตัวเองพวกนี้น่ากลัวที่สุดในบรรดาสามประเภทในบันนี้ครับเพราะว่าโดยความชั่วร้ายของเขาเนี่ ย, ยมันก็จะทาร้ายคนอื่นโดยความชั่วร้ายของเขาเนี่ยนะครับทให้เขาเนี่ยหมิ่นประมาท คนชอบทำนะครับและการหมิ่นประมาทคนชอบทำเนี่ยก็ทําให้คนชอบทำเนี่ยเสียหายคนชอบทำที่ทํางานด้วยความตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในความถูกต้องอยู่ในความเป็นเหตุเป็นผลนะครับก็จะถูกเขาใส่ร้ายป้ายสีก็จะถูกเขาหมิ่นประมาทนะครับเขาหวังว่าจะให้คนที่ทําความดีคนชอบทำนั้นอับอาย พี่น้องขับแต่ไม่เป็นเช่นนั้นในที่สุดนั้นโดยความชั่วร้ายของเขาและความเป็นประมาทของเขาที่มีต่อคนชอบทำเก็จะส่งผลให้ตัวเองประสบความอับอายความไร้เกียรติและความอับยศในที่สุดพวกเขาจะต้องขายหน้าในที่สุดพี่น้องขับในขณะที่ถ้อยคําของคนโง่ที่ชั่วร้ายนําความอัปอายดอดสูมาถึงตัวเองนะครับแต่คนฉลาดคนชอบรำก็จะได้ชื่นชมกับผลงาน และประโยชน์และพระพรมากมายครับอันนี้ก็รวมถึงความมีเกียรติยศสง่าราศีสง่างามในที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นบทเรียนในชาตันี้เราต้องหลีกเลี่ยงไม่เป็นคนโง่ทั้ง3ประเภทนี้นะครับไม่เป็นคนโง่ทั้ง3ประเภทนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับถ้าเราปิดตัวปิดตัวนะครับเราก็ต้องเปิดตัว และเข้าหาคนอื่นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นฟังคนอื่นนะครับอันที่สองก็คือว่าเราอย่ามัวเอาแต่พูดแต่ไม่สนใจความรู้ไม่สนใจคำพูดของคนอื่นไม่ฟังคนอื่นเลยประการที่สามครับเราอย่าเป็นคนโง่ที่ชั่วร้ายเพราะไหนที่สุดความอับอายความอภิยศอดสูนะครับและ ความหมิ่นประมาทก็จะกลับมาถึงตัวเองโดยความชั่วร้ายและความหมิ่นประมาทนี่เองทําให้คนโง่ประเภทนี้ก็จะอับอายในที่สุดขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีกําลังในปีใหม่นี้ขอพระเจ้าอวยพรสุขภาพร่างกายของพี่น้องที่รักทุกท่านให้มีความแข็งแรงและมีความสุขความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้ามีจิตใจที่ติดสนิท และตอบสนองและมีวิญญาณที่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอาเมน